ถูกส่งมันบ้างเราจุดกันก็เมื่อคืนลองทำความสงบดูค่ะหลวงพ่ออ่าตอนแรกผู้โทรทีทีอะค่ะแต่ก็ยังเห็นว่าผู้โทรทีทีก็ยังหนีไปฟุ้งอยู่ก็เกินกระทั่าเป็นนโมตัสสะก็ก็อยู่ได้ทีนี้จึนเห็นว่ามันมีระยะหนึ่งอะค่ะที่เหมือนเขาทำเขาทำเองอะค่ะเปถอยไปถึงอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่เหมือนภาวะตรงนั้นเนี่มันซึมซึมนิดๆแล้วก็รู้ว่าว่าเขาถอยไปตรงนั้นถอยไปตรงนั้นนะคะก็คอยดูตรงนั้นอยู่อะค่ะยังซึมอยู่เนาะหลวมไหมมันมันไม่มันไม่มันไม่กระจับกระชิงอะค่ะจิตมันมีโมหะค่ะแต่ตอนนี้มันคอยจะไปดูที่ฟุ้งที่ที่ตรงนั้นมันก็ไม่จะรู้ว่ามันมีอะไรเหมือนเป็นหมอกหมอกอยู่อะค่ะไม่จบอย่าไปเกลียดมันก็แล้วกัน ก็ก็วันนี้ดีกว่าเมื่อวานค่ะหลวงพ่อคือโมหะน้อยลงแต่ก็ยังรู้ว่ามันก็คือหนูเห็นว้าโมหะมันไม่ได้หายไปคือมันจะมามาไปไปอย่างเงี้ยค่ะมันอะไรนะมันจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปอ่ะค่ะถ้าถ้าเผลอนานเนี่ยมันก็จะมีโมหะเยอะไอ้โมหะมันเต็มกิเลยืนพื้นใจของเราแทบจะไม่ว่างจากโมหะ บางกีไม่มีราคาไม่มีโทรศัพท์นะแต่มันมีโมหะกว่าจะพ้นโม่หะต้องเป็นพระรหันนะข <c oughs> ้างโมหะดูยากเป็นเกณฑ์ใกิเลสยิ่งละเอียดนะยิ่งใสกิเลสคุณคุณดูง่ายนะคุณคุณดูง่ายพอเราปฏิบัติมากเข้ามากเข้ากิเลสีใ่ใสมากขึ้นเรืได้ จนนึกว่าเป็นกุศลนยอยู่ที่ไ่อเรียนไปไม่เข้าใจไปยังไม่เข้าใจก็โดนหล อ, อกไปไม่เป็นไรโดนหล อ, อกมาเยอะและ<ฮ>้วโดนอีกนิดหน่อยไม่เป็นไร <c oughs> ยมมาจากไหนวันนี้มากากใครนะมาด้วกันกกันบ้านกันเขาอากาศลงพ่อเ้าค่ะ คลังสุดที่ไปส่งกันบ้านกับหลวงพ่อเนี่ยตอนนั้นจิตไม่มีกำลังแล้วค่ะเพราะช่วงนั้นอคูสนเข้าเข้าส5่ห้าวันเนี่ยตั้งสติไม่ทันพอกลับไปก็ฟื้นได้สักสามวันแล้วค่ะว่จิตมันก็เริ่มค่อยๆปรับปรับจนกระทั่งก็เลยเห็นฉี่ขึ้นเห็นการเถลอบ่อยขึ้นก็ลองจับเวลาดูแลค่ะสิบนาทีครั้งแรกก็ได้สัก2ี่สิบครั้ง ลาสุดนี่จับได้ก็ประมาณสักสามสิบสองครั้งนะ้าค่ะสิบนาทีสิบนาทีเช่าค่ะเลยสามสิบสองครั้งเจ้าค่ะมือใช้ก้านไม่ขีดไฟนะคะเวลามันเผลอก็หยอดไว้หยอดไวไจะจับเวลาสิเจ้าค่ะเ mm hmm. สร็จแล้วก็คันนี้ไปอยู่เมื่อสี่ห้าวันก่อนเนี่ยเจ้าค่ะจิตมันเหมือนกับมันไทเปอร์มากาค่ะตอนนอนอืว mm hmm. ันแรกเนี่ยรู้สึกมันไม่หลับเฮ้ย ม, มันหลับอยู่ก็สู้กับมัน พอคืนที่สองก็สู้น้อยลงพอสามไม่สู้แล้วก็ดูเฉยๆพอคืนที่สี่จนคืนที่ห้าไม่เห็นแล้วเพรก็รู้สึกว่าเอ๊ะสภาพนี้มันมันเหมือนจิตมันไฮเปอร์มากในขณะที่นอนเจ้ค่ะเพราะว่าอาจจะไปไม่ทราบว่าไปสู้กับมันต่อจะทํามันก็เลยไฮเปอร์นะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ขณะนั่งสมาธิอยู่ก็เห็นเวทนาที่มันแยกออกมาจากตัวแล้วก็มีจิตที่ดูอีกตัวหนึ่งเจ้าค่ะ ตอนนี้ตามสภาพตอนนี้ก็รู้สึกว่าจิตมันใช้คำว่าห้าวหาญพอดีวันก่อนฟังได้ยีคนคุณโจมพูดในในซีดีเออใช้คำนี้เลยจิตตั้งมั่นมันยังไม่ใช่จริงแต่ห้าวหาญช่วงสี่ห้าวันนี้เอค่ะมีความรูม้สึกตัวนี้ขึ้นมาห้าดีห้าหานจะสู้ไปห้าหารอย่างเดียวไม่พอต้องตั้งมั่นด้วยตอนนี้จิตตั้งไม่ถึงฐานเลนรู้สึกหม ความรู้สึกตัวของเราไม่ตั้งถึงฐานให้ดูทันนะสองคนตึกมาอย่างไหนนะตึกมาแบบไหนอ้าจรจันหนูข้าจารันน่ารักนใช่ปะนักเลงดิหนูภาพกเห็นน่ารักดิจริงๆธรรมะไม่ได้อยู่ไกลคนที่ให้ธรรมะเราคนแรกคือพ่อแม่ ว่พ่อแม่ให้รูปธรรมให้กายนี่เป<อ>็เนที่ตั้งของน้ำ ม, มาทำเป็นรูปธรรมนาำ ม, มาทำนี่และธรรมะนอกกนั้นก็เป็นคุบาจารย์บาจารย์ก็มาต่อเติมให้เรารู้จักใช้ต้นทุนที่พ่อแม่ให้ให้มันเกิดประโยชน์คนซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมมีต้นทุนที่ดีมีกายมีใจมีรูปมีน้ำเอามันไปทําชั่วง หรือใช้มันไม่เป็นมันพัฒนาจิตใจต่อไปไม่ได้ใช้ไม่เป็นอุบาอาจารย์ก็มาบอกต่อว่จะใช้รูปใช้นามให้เป็นประโยชน์สูงสุดเองไงทีแรกก็ใช้รูปใช้นามไปถือศีลทำทางคือศีลทำสมาธิสุดท้ายใช้รูปใช้นามให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือเอามาเรียนเอามาเรียนรู้เป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้รูปเรียนรู้นาม คนหนึ่งเข้าใจความเป็นจริงของรูปของนามไม่ใช่ตัวเราแค่ได้ท่าโสดาบันแล้วเร้ารู้รูปรู้นามต่อไปอีกจนปล่อยวางรูปได้ปล่อยได้เด็ดขาดได้ท้านักขานะปล่อยวางจิตได้เด็ดขาดหมดภุรัตศา ส, สนาเน <Yeah. S 1> ี่ยมีแต่ความสุขล้วนๆเลยกันอันนี้เราสมกับที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูง ยังถึงขนาดวางจิตวางใจไม่ได้นะแค่เห็นความจริงว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราก็ถือว่าดีมากแนละ้ววันหนึ่งทั้งหน้าในอนาคตไม่กี่ชาตินี้ก็จะวางจิตวางใจได้ฉะนั้นเราใช้ต้นทุนที่พ่อแม่ให้มาใช้คําสอนของครูบาอาจารย์ที่สืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าให้มารู้กายมารู้ใจอย่า ก, กําหนดนะตรงที่พลาดตรกที่กําหนดนะ รู้แล้วมันจะได้เห็นความจริงกำหนดมันจะเห็นแต่ความนิ่ ง, งบางขับนีการหัดรู้หัดดูมันก็มีสิ่งที่ผิดพลาดหลกักหลกักสองอันเผลอไปบ้างเข่งเอาไว้บ้างที่ผิดหลกักหลกักมีสองอันเดี๋ยวก็หนักไปเดี๋ยวก็เบาไปมันจะลงไปสู่ความเป็นคู่คู่ถ้าไม่เผลอไปก็เพ่งไว้ไม่หนักไปก็เบาไปไม่สุขก็คุกไม่ดีก็ชั่ว ไม่ละเอียดก็หยาบไม่อยู่ข้างในก็ไหลไปข้างนอก่อางตอนนี้ไม่ตั้งอยู่ภายใ น, ในแต่ข้างนอกหรนะืออจะเป็นผู้คู้ใจเราจะเวียนอยู่ในธ ร, รมมะที่เป็นผู้คู่ถ้าปัญญาจแจ่มแจ้งขึ้นมาจะไม่อยู่กับความเป็นคู้ละดีเลยสุขกทุกข์ก็เสมอกันไม่เอาดีกับชั่วก็เสมอกันไม่เอาหยาบกับละเอียดภายในภายนอกเสมอกันไม่เอาใจไม่เอาเอีก ใจเห็นทําไมไม่เอาใจมันเห็นเห็นความไ ร, ร้สาระสุกคนชั่วกลาวทุกคนชั่วกลาวดีก็ชั่วกลาวชั่วก็ชั่วกร่วาวข้างในข้างนอกก็ชั่วตาวอะไรอะไรที่อย่า ง, งไปรู้ได้เรียกว่าพบทั้งหมดเลยก็เป็นของชั่วกลาวทั้งหมดใจเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วกลาวหมดใจวางค่ยวางไปถ้าใจเหลือหนึ่งไม่เป็นคู่แล้ว จิตก็เป็นจิตหนึ่งทำก็เป็นทำหนึ่งไม่ใช่เป็นทำคู่คู่ทำที่เป็นหนึ่งก็มีแต่นิพพานทำนอกจากนิพพานเป็นทำคู่คู่เป็นคู่จิตที่เป็นหนึ่งเรียกว่ากิริยาจิตหากิริยาจิตเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่เข้าแวะไม่ไปถูกความเป็นคู่มาย้อมมัน แต่เราปลูกสิ่งที่เป็นคู่มายอมเช่นสุกสุกกระทุกมายอมสุกดีกับชั่วมายอมยอมได้ใจของนั้นโดยตัวของมันเองมันเป็นหนึ่งอยู่แล้วแต่ที่มันกลายเป็นสองเพราะว่ามีสิ่งมายอมยังยอมติดงั้นเราจะเรียนรู้ไปนะวันหนึ่งไม่มีอะไรยอมติดใจที่เหมือนดอกบัวอยู่ในน้ํานะไม่เปียกน้ําไม่มีอะไรยอมได้จะมีแต่ความสุขล้วนๆมีความสุขที่สุดเลย บอกไม่ถูกก็สุกยังไงไม่ใช่ต้องสุขตอนไปเข้าสมาบัตินะไม่จําเป็นเลยถ้าสุขตอนเข้าสมาบัตยังกระจอกรอก่อยอยู่ยยมีความตุบล้วนๆเลยตลอดเวลาทั้งตื่นทั้งหลับเลยนะตุกยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ความสุขมีความตุบเพว่าใจไม่เป็นถูกความเป็นผู้มันย้อมเอาถ้ายังถูกสิ่งที่เป็นผู้ย้อมยังแปลงไปแปลงมาจะค่อยเรียนไป ที่สำคัญบ้างวันนี้ทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นใหม่เลยค่ะหลวงพอ่อเหมือนมันกําลังสับสนเร<อ>ินเน่มต้นใหม่ดีนะเริ่มต้นใหม่ทุกวันนะค่ะเหมือนเริ่มต้นใหม่ตอนนี้<ม>ที่เคยมีสติตัวจริงเกิดก็เหมือนกับว่าทุกวันนี้มันไม่มีเห<อ>มือนต้องเข้าไปเรียนรู้ใหม่มีความสับสนเรียนรู้ใหม่นะเรียนรู้ใหม่ทุกวันนะทุกวันให้นับหนึ่งอย่านับสองแล้วเราจะเรียนถึงสิ่งที่เป็นหนึ่ง ทุกวันเราก็มารู้กายทุกวันก็มารู้ใจไม่ต้องคำนึงว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรได้เนื่อเป็นปอดีตหมดแล้วไม่ว่าการปฏิบัติจะอยู่ในขั้นใดนะจนถึงขั้นสุดท้ายในเดีนรหัตตมรคนี้ทักเพี้ยนไปเพื่อให้อรหัตตมรเกิดนะบางครั้งก็สับสนขึ้นมาแล้สับสนขึ้นมาเนี่ยให้มานับหนึ่งใหม่ต้องใจถึงนะนับหนึ่งใหม่ทุกวันต้องนับหนึ่งใหม่เรื่อยๆไป อย่างบางวันเราภาวนานะ่ะจิตแจ่มใสวางทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะหลุดออกมาเป็นอิสระและ้วอีกวันหนึ่งพอเราตื่นขึ้นมาเราก็คิดถึงความเป็นอิสระจิตก็ไปเป็นอิสระอีกหลายๆวันนะ่ะมันเป็นอิสระก็ไปคิดเอาเราจะเห็นเลยว่าจิตที่ว่าหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นแล้วหมองได้ยังหมองได้ยังมัวได้ยังอึดอัดขัดข้องได้ยังถูกบีบคั้นได้เป็นถูกบีบรู้สึกไหมแต่เราถูกบีบบีบตลอดเวลา ยังถูกบิบคันได้มัวได้หมองได้ถูกบิบคันได้ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงแล้วจะทํำยังไงดีอฏิบัติจนกระทั่งปล่อยวางอะไรๆไรปหมดแล้วไม่รู้จะหยิบฉวยอะไรมาแล้วนะมนยังหมองลงไปได้อีกนับหนึ่งอีกนับหนึ่งนะมารู้กายมารู้ใจทุกวันอย่าทิ้งการรู้การรู้ใจนี่แหละอย่าทิ้งไปอยู่กับความว่างๆง บางคนนึกว่านับว่างถึงสิบนี่นับสิบนะถึงความว่างนับสิบถูกหรอตัวนับหนึ่งไว้คือรู้กายรู้ใจไว้ไม่มีขั้นมีตอนอะไรใครมีคนมาถามหลวงพ่อถามบ่อยๆนะแต่ก่อนนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีคนถามอย่างนี้เมื่อก่อนถามว่าถ้ารู้สึกตัวเป็นแล้วจะทำยังไงต่อไปบอก็รู้กายรู้ใจแตแล้วรู้กายรู้ใจแล้วทายัางไงอย ไม่ทําอะไรก็รู้กายรู้ใจไปทั้งชาติอ่ะการปฏิบัติไม่มีอะไรเกินนั้นเพราะงั้นไม่ต้องตกใจนะบางครั้งภาวนาไปแล้วเจอทัง้งเหมือนภาวนาไม่เป็นเอก็ไม่ต้องตกใจเป็นอย่างนั้นแหละไม่ต้องเก่งนะไม่ต้องฉลาดไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วรักษาไว้ได้บรรดาญานทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้ จนกระทั่งถึงสังคารุเบกขายานซึ่งสุดยอดของมิปัสนาคมฐานที่เราทําได้แล้วเป็นยานโลกี้ยะแทบจะตัวสุดท้ายที่เราทําได้ก็เป็นของเสือ่อมอย่างวาภาวนาไปถึงจุดหนึ่งใจเป็นกลางเป่นกลางกับสุขและทุกข์เป็กลางกับดีและชั่วอยู่ๆมาไม่เป็นกลางอีกแล้วทําไมเป็นอย่างนี้ได้ขึ้นไปยานที่เก้าแล้วหล่นลงมาอีกแล้ว ยานที่เท่าไหร่นะก็สิเอ็ดใช่ไหเมันมียานข้างหน้าอยู่สองสามอันก็อขอามันเป็นของอยงเสื่อมได้เป็นโลกี้ยะงันอย่าตกใจนับหนึ่งไว้มันหลายๆครั้งมันก็จะเห็นว่าจิตใจในความสับสนนะคะหลวกพ่เหมือนทุกอย่างเริ่มต้นใหม่แต่มันก็เข้าไปเห็นว่าจิตใจมันทำงานของมันเอง อมันทําอะไรของมันไปบังคับมันไม่ได้นั่นแหละปัญญามันอยู่ที่นั้นเรียตรงนี้มากๆนะเนี่ยนับหนึ่งไปเรื่อยก็คือดูจิตดูใจของเราไปเรื่อยนับหนึ่งทุกวันเห็นมันทํางานเห็นมันดีเห็นมันชั่วเห็นมันสุขเห็นมันท่กขเนมันปรุงแต่งอย่าน็อปเขหาความไม่ปรุงแต่งให้ปรุงแต่งไปปรุงแต่งแล้วเราก็จะไริญให้เห็นไปว่ามันทํางานของมันเองทั้งวันทั้งคืนนี่มันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรา ที่เห็นอย่างเงี้ยจนใจมันยอมเลยใจมันพอมีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่เห็นอะไรนักหนาหรอกใจมันยอมรับธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือการที่เห็นว่า ก, กายขใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นั่นแหละธรรมะอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นใจของเราเริ่มสัมผัสธรรมะรู้สึกไหมใจของเราเริ่มสัมผัสกับธรรมะเราได้เห็นแนละ้วจิตนี้ทํางานทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เลือกก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สัก อ, อย่างเดียวนี่เราเห็นอย่างเงี้ยเห็นทุกวันทุกวันจนถึงจุดหนึ่งมันจะยอมรับพอมันยอมรับว่ากระทั่งจิตนี้ก็ไม่ใช่เรานะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นนะตามทำงา น, งนงทั้งวันทั้งคืนบังคับไม่ได้ใจยอมรับตรงนี้ยอมรับตวงนี้ใจจะไม่ดินน้นเข้าถึงความจริง ใจหมดความปรุงแต่งหมดการแสวงหาหมดการดินน้นรนจิตใจที่ไม่ดินน้นรนไม่หิวโหยทุร น, นทุรายอยากน้อนอยากนลี้งขึ้นมามันเห็นความจริงใจจะเข้าไปถึงนิพพานพ้คนความปรุงแต่งได้ชัว่วขณะนะแต่แว้วจะกลับออกมาสู่โลกภายนอกนิงน่งใหม่อย่าอย่าไปคิดว่านิพพานเป็นโลกภายในนะแต่ว่าในขณะที่เราไปเห็นนพิพพานขณะแรกจิตจะเข้าอปนาสารชิ บางทีเราก็จะเป็นสําคัญว่านิพพานอยู่ที่ไหนในในฌานนิพพานไม่ได้อยู่ในฌานหรอาศัยฌาเนเพื่อสนับสนุนให้มีกําลังตั้งมั่นของนีถ้าเราเห็นนิพพานครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามอาศัยการเห็นในฌานแต่ครั้งที่สี่เห็นอยู่ในฌานนะขัดจากนั้นเนี่ยจะเห็นได้เรื่อยๆแค่น้อมใจมานัสิการถึงแค่มานัสิการถึงก็เห็นเลย นี่อยู่กับวัตสีว่าเราจะน้อมก็ไปเห็นได้สม่ำเสมอตามใจชอบไหมตัวนี้เรียกว่าผลสมบัติผลสมบัติผลสมบัติไม่ใช่ฌานสมบัตินะนั้นผลสมบัติไม่ใช่การเข้าไปแล้วก็หมดความรู้สึกไปการหมดความรู้สึกมันเป็นอสัญญาสัตตาภูรมริกรมลุกฟักเป็นตัวฌานสมบัติไม่ใช่ผลสมบัติเดี๋ยวหลวงอสอนเยอะไป แค่นิดหลวงพ่อเวลาพูดธรรมะมกกักจะพูดเผื่อ mm hmm. เผื่อไว้ในอนาคตฟังฟังไปถึงเวลาที่มันต้องใช้มันก็เอามาใช้ได้อีกฟังไปถ้าเราไม่รู้สังสารวัตรนี้เป็นของไม่แน่นอนอาจจะไม่มีโอกาสมาฟังหลวงพ่ออีกก็ได้ง mm hmm. ั้นฟังไว้ก่อน <laughs> อันนี้ยังไม่ได้ใช้นะนอนาคตจะ ไ, ได้ใช้มีคนอยากฟังต่อคนะผลสมบัตินี้นะไม่ได้เกิดจากว่าสีของการทำฌานนะไม่ได้เกิดจากว่าสีในการจะเห็นนิพพานในขณะที่เกิดมากเกิดผลเพราะว่าสีไม่มีมักผลเกิดครั้งละขณะจิตเดียว เห็นเท่าๆกันหมดเลยแต่ผลน่ะไม่เท่ากันนะมากเท่ากันแต่ผลไม่เท่ากั น, นะกก น, ผ, ลกนผลที่มากที่สุดแนละ้วก็เห็นแค่เท่าไหร่สิบสองครั้งอย่างต่ําก็เห็นแปดครั้งเห็นนิพพานได้แปดครั้งพวกที่เห็นบ่อยก็สิบสองครั้งเนี่ยไม่มีวัตสีเพราะนั้นการที่จะเข้าผลสม บ, บัติชํานาญหรือเปล่าอยู่ที่ปัจจเวกขณะเพราะปั จ, จเวกขนาเนี่ยนับไม่ถ้วนนับเท่าไหร่ก็ได้พิดนาไปเรื่อยๆได้ ทบตวนขึ้นมาทีไรก็ทบทวนขึ้นมาได้เรื่อยๆแลทบตวนจนจิตในค่องแคล่วชั้นนี้ชำนานจำนิพพานได้แม่นยำแค่มาณสีการถึงมันก็ถึงเลยเพราะฉะนั้นการเข้าผลสมาบัตินะจะชานานเข้าได้ไหรือไม่ได้อยู่ที่มีเรียกว่าปัจเจเวกขณะวสีไหมไม่ใช่ฌานสมาบัติเป็นมวสีเป็นปัจเจวกขณะวสี คุณอนุปูนเป็นไงจิตเป็นยังไงขนาดนี้จิตโม่ๆรูวไหมจิตมืดจิตโว่ทำไมรัศมีเป็นดำายุ่งงานดูไปเรื่อยๆ <c oughs> ถึงไหนละคุณมันเจอรู้ตัวได้บ่อยตึ่นครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มท้อแล้วครับไม่ว่าจะปานีขนาดไหน มันก็เสื่มครับเออมันของเสื่อมนะแต่มันของเสื่อมก็ต้องทํำนะไม่ใช่ว่าเออมันของเสื่อมเลยทอดแท้ทอดอะไรแล้วแต่เวรแต่กรรมเงินไม่ได้นะแต่มีศรัทธาความเชื่ออยู่อย่างครับว่าถ้าผู้เดินทางยังไม่ยอมหยุดยั้งย่อมไมถึงจุดหมายปลายทางกอนเออมันต้องอย่างนั้นต้องสวมหัวใจอย่างนี้เ้าเรียกสวมหัวใจนางสิงหรือนายสิงต้งสู้ต <c oughs> ายถอยไม่ได้ ตัวเนี้ยมันเป็นบารมีตัวหนึ่งเรียกอธิฐานะบารมีต้องสร้างเหมือนกันทําอะไรต้องมุ่งมั่นเอาให้สําเร็จถ้าต้องมุ่งมั่นทางดีนะทางชั่วห้ามุ่งมั่นนะ อ, อ่ถ้ายามทําอะไรก็ทําพยายามให้สําเร็จสู้ตายยากลาบากแค่ไหนก็ไม่ถอยมันจะได้เอาไว้ใช้ในนาทีสุดท้ายของการปฏิบัติในนาที่สุดท้ายของการปฏิบัติบางคนจะเห็นทุกข์ ทุกแสนสาหัสเลยทุกอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมา ก, ก่อนหลวงพ่อเคอ่านหะนังสือเขาบอกว่าความทุกข์ที่มากที่สุดเลยนะทุกทางร่างกายในตอนออกรูปแต่หลวงพ่อไม่เคยออกรูปเลยไม่รู้รับรองไม่ได้แต่เห็นว่าทุกทางจิตเลยนะเวลาที่มันจะท่ามพบท่ามซากสาหรับบางคนนี่ทุกสุดๆเลยตรงนั้นถ้าใจถอยนะใจถอยกนะ็คือเสียโอกาสเลย แล้วต้องฝึกใจให้เข้มแข็งสู้ตายถึงวันนั้นต้องสู้ตายงั้นถอยไม่ได้บางครั้งทอนะบางครั้งก็ทอแต่ทอก็ต้องสู้นะสู้ไปต้อทแหละทอแล้วไม่ถอยเดินวันละเก้าก็ยังดีกว่าไม่เดินเลยแต่ไม่ต้องรีบเดินาการปฏิบัติเนี่ยต้องตั้งใจว่าเป็นงานที่ทํากันทั้งชีวิตเลย ชีวิตนี้ขออุทิศให้กับการปฏิบัติธรรมยกชีวิตถวายพระพุทธเจ้าเลยแล้วทุกวันเดินไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนเพราะเป็นงานที่ทำทั้งชีวิตไม่ใช่งานงานที่ทำสามวันแล้วเลิกไม่ต้องรีบร้อนนะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆสังเกตไปใจเย็นๆถ้าใจร้อนขึ้นนิดเดียวนะล้มเหลวเลยอิเลหลอกทันทีเลย มันจะรีบเหมือนเาจัตักน้ําใส่ตุ่มแนละรีบตักเร็วๆจะได้เต็มตุ่มเร็วๆไม่เป็นอย่างนั้นหรอกตุ่มวันนี้เป็นตุ่มที่รั่วนะเอาน้ําใส่เข้าไปก็ไหลออกมาน้ําใส่เข้าไปก็ไหลออกมาวันหนึ่งโอ้ตุ่มนี้ใช้ไม่ได้แล้วทุกตุ่มทิ้งนะนู่นหมดสาระกันตรงที่ทุกตุ่มทิ้งไปแลนะ้วเนาะใจเย็นๆค่อยๆอยเติมน้ํา คอคเรียนรู้มีสติมีปัญญาคอยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนแต่ไม่หยุดยัง้งงานตัวนี้ทํายากนะยากยากตรงที่มันไม่รียบร้อนแต่ไม่หยุดเลยหยุดนิ่ใส่หลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นนะในภาวนาง่ายนี่ใส่หลวงพ่ออึดเวลาหลวงพ่อฝึกพร้อมอะไรที่อย่างหนึ่งจะเรียนรู้อะไรนะหลวงพ่อสามารถเรียนซ้ําแล้วซ้ําอีก ได้ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเรียนอยู่อย่างนั้นนะเรียนอยู่จนจะทั้งมนันรู้สึกพอใจแจม่มแจ้งถึงจะเปลี่ยนไปเรียนอันอื่นทำไมเข้ามาหาวิรายปีหนึ่งไปหันเล่นกระบี่กระบองฝึกกระบี่ฝึกท่าเบสิคหรือท่าเดียวเพื่อนเพื่อนไปได้หลายสิบท่าแล้วเรามีอยู่ท่าเดียวนะแอบพอเลยมาหัดปฏิบัติ ตามรู้ตามดูทุกวันไม่ถอยไม่เคยถอยเลยลําบากยากเย็นยังไงก็ต้องดูหรือตอนจะบวชหลวงพ่อน้ําหนักเยอะนะเป็นกรรมพันธ์นะกินน้อยยังไงมันอ้วนทั้งตระกูลมันอ้วนทั้งตระกูลมีญาติคนหนึ่ง้วขายรถเก่งไลยเพราะขึ้เข้ารถเก่งไม่ได้ไปซื้อรถปิ๊กน้ำมันนั่นนั่งข้างหลังนะคนเดียวเทำไมนเป็นสายพันธ์อย่างงั้นที่น้ําหนักเราเยอะนั่งคุกเขาไม่ได้นาน โอยตอนปวดมันต้องคุกเขา่าซ้อมนะซ้อมทุกวันนะวันแรกได้ครึ่งนาทีขาจะหักแล้วซ้อมอีกวันหนึ่งเพิ่มได้อีกห้าวินาทีอีกวันหนึ่งเพิ่มได้สามวินาทีอะไเงี้ซ้อมอยู่อย่างเงี้ยอดทนมากเลยค่อยๆซ้อมไปแล้วเป็นคนที่ไม่จําท่องอะไรก็ไม่จํานะอย่าธรรมะพูดพูดมานี่ไม่ใช่จําไว้นะไม่แน่ตัดความจํามาเล่าเลย หัสวดขานมากนะมันไม่จําโอ้ยากเย็นเอาแล้วตั้งใจใหม่จะสวดวันละประโยคประโยคเดียวดูเวลาแล้วมีเวลาอีกเกือบปีคงจะทันซ้อมวันะประโยควันะประโยคแล้พนระุ่งนี้ก็ซ้อของเก่าหนึ่งประโยคของใหม่หนึ่งประโยคอีกวันนึงเอ้าลืมหมดไปแล้วสองประโยคเอาใหม่ซ้อมใหม่โอ้ใช้ความอึดมากเลยในการที่จะฝึกตัวเอง ไม่เก่งไม่ต้องรีบร้อนแต่ไม่ถอยคือเนี้ยสาคัญถ้ารีบร้อนเมื่อไหร่ล้มเหลวเมื่อ น, นั้นงานกรรมฐานเป็นงานที่ประณีตที่สุดเลยประณีตเพราะเป็นเรื่องของจิตใจอะไรจะประณีตเท่าหัวใจเราไม่มีหรอกงานที่ประณีตสุดๆเลก็ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้อย่ารีบร้อนถ้ารีบร้อนแล้วกิเลสมันจะเอาไปกินหมดนั้นอึด น, นะอึดคอยรู้คอยดูไม่ถอยอยังไงวันนึงต้องสําเร็จ เส้นทางนี้ไม่ได้ยาวไกลเลยมาผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองนิพพานไม่ได้อยู่ไกลนะไม่ต้องรีบร้อนเดินไปหาไกลๆรีบจำเอาๆยิ่งจำไปยิ่งหลงไปเลยเพราะนิพพานมันอยู่ต่อหน้านี่เองใจเย็นๆใจเย็นแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมนาะลืมตาจริงๆไม่ใช่ตานี้นี่ตาปลอกตานี้ไม่ทันแกก็เริ่มมองไม่ค่อยเห็นแนละ้วลืมตาจริงๆก็คือเราเห็นด้วยใจของเรา เห็นความจริงในจิตในใจของเราด้วยใจของเราเรียนรู้ไปจิตใจนี้ไม่เคยเที่ยงเลยเส้นไหมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจนี้ทํางานได้เองบังคับไม่ได้นี่เรียนอย่างนี้แหละอย่างที่ทําอยู่นั่นแหละนับหนึ่งไม่มีนับสองอนสุรวัตรเขียนหนังสือนับหนึ่งดีนะไม่ต้องมีนับสองนะอาสุรวันรนับหนึ่งพอละนับหนึ่งก็จะถึงคำหนึ่งนะ นับสองนับสามนับสี่ทุ้งต้านไปอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพอแค่นี้ก่อน